ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ถึงอะไรนะโพชนาวัตรสิกขาบทที่ห้าประทมปวารณาสิก ข, ขาบทนครับเกี่ยวกับห้ามพัดเขาว่าปวารณาในทีวี้หมายถึงห้านะเขาว่าปรวรณามีนมายได้หลายอยา่างนะครับปวารณาหมายถึงอนุญาตก็ได้นะโยมขอปราบพระคุณเจ้าเ <c oughs> รื่องปัจจสี่นะ แลน้นปลวนะหมายถึงยอมอนุญาตให้เราขอของแกได้ครับเปลาปวนะหรือปลวนะในปรวนากรรมด้วยเวลามันอะไรปลนะที่ผ่านมาปลวนะพรรษานะนั่นก็หมายถึงการเปิดโกาสอนุญาตหรือว่าเปิดการให้คุยว่าการตัวเองได้แต่ว่าปรวนะคืเหมือนกันห้ามตรงข้างตรงไปใช่ไหม อะไรยากอะไข้ามต้ข้ามไปเลยครับตาใจครับต้องข้ามไปเลยครับที่ว่าที่สึกกาลังฉันโพชนะห้าอย่างใดอย่งหนงอยู่แล้วก็มีนะครับเป็นพ่อพิสุสําเนห์หรือโยมก็แล้วแต่นะเอาโพชนะห้ามาถวายน้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเอามาถวายนะเนี่ยถวายเลยแล้วพิสุปฏิเสธนะครับปฏิเสธด้วยกายหรือวาจา นี่ก็เป็นการห้ามพันใช่ัห ม, มพอห้ามพันแล้วเราจะชันอาหารอือไม่ได้ห้ามพันแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วนะถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถไม่เป็นไรนะครัแต่ถ้าเปลี่ยนอิริยาบถแล้วไม่ใช่ว่านั่งฉันอยู่เป็นยืนเป็นเดินหรืออะไรที่อื่นนีครับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วนะอันนี้จะฉันอาหารไม่ได้จะเป็นอาหารเป็นโปชนะหาัไม่ใช่โปรดชนะหาันนะแต่ไม่ได้นะครับถือว่าห้ามพันแล้ว เอกจาอาหารน้นเป็นอาาเดเป็นเดของวิสุอาภาสหรือเป็นเ ด, ยดรยการทอมีกใกลครับอันนี้นะแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นเดรยอย่างนี้นะ้ามพลาดแล้วก็ไปเปลี่ยนเดียบวแล้วก็ไปชานีจะต้องบวชแดีในสิขาบทนี้เครับนี้ยนะอันนี้ทัวให้นี่หนึ่งเลยครับทีนี้มาดูคำอธิบายในกังขาหน้าร้อยเก้าสาครับ สีขาวที่ห้าอธิบายปาวาได้มาสีขาวที่หนึ่งสร้างอธิบายในสิขีขาที่ห้าต่อไปคําว่าพุตตาวีแปลว่าฉันแล้วลงฉันทํามันลงฉันแล้วนะยังจะแลกยังไม่แลกแม้แต่ทำไมลงฉันบราดาวชนะห้าอย่างที่สุดได้ฉันโคชนะแม้เพียงเล็กผักกาดนี่นะหยิบ ม, มาแค่นิดเดียวเท่านับ ที่สูนั้นเรียกว่าพุดตาวี m น a มาย g ว่าท่านฉันมือประกรันหมายว่าท่านใช้อาขาร น, น, ะะนีเดียวแม้ขนาดข้าวไม่ประกันอย่างนี้นะที่สูนั้นก็เรียกว่าพุดตาวีนะครับาว่าประวาริโตความว่าทำการห้าด้วยองห้าดังที่ใส่ไว้ในภาพบาลว่าเนี่ยจะเป็นการทคัจะต้องเข้าโงมกันนะ ถือเชื่อให้ผ่านนะครับพิสุกกำลังฉันอาหารอยู่หนึ่งนะอาหารนั้นต้องเป็นโพชนะอ้วยนีนะครับหนึ่งนะแล้วก็สองโพชนะปลากรนะครับก็มีอาหารที่ก็จะมาถวายเรานะสามทายกอยู่นเนี่ยทบาทเนี่ยทายกก็มาใกล้ๆเนี่ยถบาทเลยนะครับสี่ทายยกน้องถวายเข้ามาใกล้ๆไม่พอก็น้องของเข้ามาถวาย ต้องน้อมกายนะถ้าน้องดีกว่าอาจารย์น่ก็ยไม่ใช่ว่าน้องทีนีรอต้องยื่งขอไม่เลยอร่อานี้แล้วก็ห้าิสูจห้างสีขอนห้ า, หาก็ชื่อว่าห้าพันนะครับบรรดาเอาห้างเหล่านั้นเพราะท่านเรียกพิสูจที่กาลังฉันโพชนาคันอยู่ว่าห้าแล้วด้วยคาว่าการฉันปรากฏครับก็พิสูจใดากาลังฉันอาหารคังอยู่ บางอย่างที่สูจน์นั้นฉันแล้วใช่ไหมเรามืงฉันไปแล้วบางอย่างยังไม่ได้ฉันก็โคชนะใดฉันแล้วท่านหมายเอาโคชนะนั้นจึงเรียกพิสูจ ว, ว่าพุตตาวีผู้ฉันแล้วหมายถึงฉันบางส่วนไปแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นด้วยคําว่าพุตตาวีข้าพเจ้าทั้งหลายจึงไม่พบเหนือความพิเศษอะไรต่างหากตอนนี้ไม่มีอะไรพิเศษเพราะพุตตาวีคิดว่าฉันแล้วฉันแล้ว ก็จะให้ดูว่าถ้าลงมืชันนะครับทนี้ไม่พบเนั้นอนความพิเศษอะไรต่างหาก็คำว่าพุทธาวีนั้นพึงสร้างว่าคุณพระพเจ้าตัดไปแล้วด้วยทรงทอมเพีเยรชนะให้สลับสนุนใช่ห้ไอใส่ําคำว่าพุทธาวีปวาริโตนะครับเราได้อิกราบทภาษาบาลีที่มั้ยไม่กลับโยกน้ที่กลุ่มพุทธาวีปวาริโต อันนั้จรติตังอันนั้นจิติตังเนี้ยเดยนั้นจิติตโตยาวไม่ยังไม่ยัม่โยบุณัพิคุพุตตาพิปวาณิโตอานัตจิติตังาทเนยวาโคชเนยวาคาไทเยวาคุณชยเยวาปานจิติยังอันนั้นจิติตังเลยนะครับเนี่ยมีคาว่าพุตตาพิปวะณิโตปอนิโตห้ามพัดแล้วเพราะพุทธาพุตตาดีเนีฉันแล้ว ไม่ได้มามหมายพิเศษอะไรหรเอกโดยเป็นบริวาลของบทว่าปวาริตักแห่พันแล้วเหมือนกับที่ตัดว่าสองคืนเป็นต้นในคำว่าสองสามคืนคําว่าสองนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมเขาเรียกว่าสร้อยคำทำคำพูดในสระสะดุ้ยเท่านเองที่ไม่มีความหมายสองสามคืนเป็นต้นที่ไม่มีความหมายพิเศษอะไร ก็ในบรรดาองค์แห่งการห้ามพัดข้อว่าอสนังปัญญานิติหมายถึงการฉันโพชนาค้างปรากฏครับคือพิสูนนั้นกำลังฉันโพชนานั้นอยู่เขาบอกเลยนะว่าโพชนาครับข้อว่าโภชนาปัญญานติคือโพชนาเพียงพอแก่การห้ามครับปรากฏอยู่ ขยายรอยว่าหากโพชนะที่พิสูจน์ควรห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งมีค่าสุดเป็นต้นมีนะเขาเตรียมจะมาท่ายนะมีโพชนะอยู่นะข้อว่าอันถาปาเสติโตคือหากทายกถือเอาโพชนะซึ่งพอแก่การห้าม ย, ยืนอยู่ในโอกาสประมาณสองสองครึ่งนะีกฉันใจที่หมายถวายนะข้งแน่งบอก นี่เขามาใกล้ๆเนี่ยทั้งบาทนะสองสองครึ่กับสองสองครึ่งอันเดียวกั น, นะครับข้อว่าอัป่ิหรัรติคือหักหาย่ักน้องกายถวายเพราะฉะนั้นนั้นแก่พิสุขข้อว่าปติเขปโปปัญ ญ, ญายุติคือการห้ามกากดเพราะแล้วเพราะว่าทายอกนี้เป็นโยหนหรือที่สิสมในก็นแล้วนะครับเขาเป็นแห่านั้นนเพราะฉะนั้นนะครับ การห้ามปรากฏพอชนะนั้นที่ทายกนํามาแล้วหากี่สูจนั้นห้ามด้วยตายหรือว่าจาเมื่อครอบองคห่อย่างนี้ที่สูจ <pinpoint S 1> ได้ชื่อว่าห้ามพันแล้วองแห่บรดาองแห่เหล่านั้นมีการวิน <seen. S 1> ิจฉ <Fro h? S 1> ัยอยางนี้ท่านก็จะขยายความพิจารณาและให้เราด่ครับเออันดับแรกคือทราบในคําว่าอาสนะนะครับ โภนนมถึงการฉันนะครับเป็นต้นก่อนพิสุ ก, กําลังฉันโภชนะใดอยู่และโภชนะใดชายกนเปสมบานน้อมถาวายแล้วทั้งสองฝ่ายใช่ท่พนพิสุกที่กำลังฉันทั้งชายยกที่จะมาถาวายทั้งสองฝ่ายต้องเป็นโภชนะหอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นโภชนะแค่ฝ่ายฝ่ายหน่เด็กก็ไม่เป็นได้าบทงทั้งสองฝ่ายนะ เหล่านี้คือข้าวสุกเนี่ยนะพิสูจห้ามโพชนะนั้นโภชนะนั้นถึงสร้างว่าเป็นโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาโพชนะเหล่านี้คือข้าวสุกขนมสดขนมเหศปลาเนื้อบรรดาโภชนะทั้งห้านี้ชื่อว่าข้าวสุกได้แก่ข้าวสาลีเข้าวเปลือข้าวเหนียวข้าวระมานข้าวฝ้ายลูกเดือยย่างกับแก่ เนี่ยที่เข้าของเหล่านี้ในข้าวมาหุ่นเป็นข้าสุกนะครั บ, มนะรบแม่ลูกเดินมาหู่นน้าแย่กับแก้มาหุ่นนะครับเข้าสงฆ์พ่อข้าวพ่อด้วยนะเข้าวพ่อด้วยนะครับคือในโพชนาหินในข้าสูงนะี่แหละเพราะเห็นนั้นในบรรดาทัญญชาติเจ็ดอย่างเหล่านี้ผู้ทายกถือเอาเข้าวสารถึงนจบจงโภชนาอย่างใดอย่างหนึง่ง แต่ว่าจะหงเป็นข้าวสวยหรือจะต้มข้าต้มก็ข้างใช้ช่างี่อย่างเมื่อกี้นะครับเราหงเป็นข้าวสวยหรือเข้าต้มนะถ้าในเวลาที่พวกีิสุจฉันข้าร้อนหรือเย็นปลากรบมีรอยตัดเลนที่ที่ตนตัดจัดเป็นข้าวสุยนะครับถ้าเป็นข้าวสวยถือว่าเป็นโฮชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นข้าต้มนะครับถ้าเป็นข้าวต้มเหลวๆนะเวลาตักแล้วร้อนไม่ปลากรบใช่ไหมมาเข้ามาหายกันเหมือนเดิมนี่แหละ ไอ้นั่นก็เป็นการหั่นพันนะครับแต่ว่าเข้าต้มมีน้ําน้อยเข็งนะถ้าข้าต้มแข็นเข้าใส่น้ําน้อยเนะยเวลาตักปุ๊บมีรอยปลากรดเนี่ยอันนั้นก็จะไปเข้าสูกเหมือนกันก่อนแต่การหั่นพันได้มีกัรนะครับต้องเป็นเข้าต้มแบบน้ําเยอะนะที่ตักแล้วมันมีรอยครับในการหั่นพันก็ไม่เป็นการหั่นนะขึ้นไปนะเวลาข้าวต้มของสํานักใช่ไหมบางวันที่น้ำมากหน่อยนะครับนมีปัญหา เราเตาแล้วก็มันมีรอยครับมันก็แข็งแตหมืนเดิครับไม่ใช่แบบพันนะเนี่ยแต่ถ้ามีรอยตัดก้อนจัดเป็นข้าวสุก่อให้เกิดแกายห้ามพลาดเหมือนกันส่วนข้าวปลายากหรือข้าวยากรุ่ปรี้ยวเขาเพิ่งเอาลงจดัดเตาแลอยังเป็นของร้อนอาจจะกอดดิ่มได้ตอนที่มันร้ อ, ยอยนๆอยู่นะมันก็ยังน้ำเยืงนะครับข้าวปลายากและยากรู่นนั้นไม่ปรากฏมีรอย ในที่พิสูจน์เอามือควัดหูที่มือนะหรือช็อตก็ได้แต่นะครับยอบ่อมไม่ก่อเกิดการเห้ร้อนผัดเพราะว่าไม่มีรอนแต่ถ้าไอร้อนหายไปกลายเป็นของแค่นเข้าเลยเมื่อที่เข้าต้มมันเป็นอย่างเงี้ยนะไอร้อนหายนะครับมันก็จะแค่นเ่้านะเกิดมีรอยปรากฏทาไม่เกิดการเห้ร้อนผัดได้ที่เป็นข้าวต้มเหลวครั้งแรกรักษาไม่ได้เมื่อพอเราตอกเราเอาตอนปัจจุบันมันเป็นอย่างไงนะ มันเห็นว่ามันแข็งนะครับถ้ามันแค่มีรอยก็ห้าพันอ่าถ้าแม้เขาเอาใบไม้ผลไม้และหน่อไม้เป็นอนุาคใส่เข้าไปเข้าสารเพียงกรำหนึ่งก็ใส่เข้าไปด้วยถ้าหากีนเวลาฉันปรากฏมีรอยตัำก้อยเกินการห้าพันนะครับก็จัดว้ามันค่อนข้างสุกเลยนะถึงแม้เข้าสารใส่แค่กมเดียวใช่ไหมที่เหลือเป็นอะไรหน่อไม้ผลไม้อะไรอย่างอื่นก็จถือว่า้วสุด มีัด ก, ก็แทบพัดที่นิมนต์ก็ซึ่งไม่มีข้าวต้ม อ, อันนี้นะโยมนิมนต์พระไปฉันเนี่ครับนี้ไม่มีข้าวต้มนะทํำยังไงชาวบ้านก็หาวิธีนะชาวบ้านขี้ว่าจะถวายข้าวต้มจึงเทน้ําข้าวและลมสดราลงไปในข้าวสวยและก่าถวายว่านิมนต์ท่านรับข้าวอย่างคูแค่ข้าวต้มย้อมแหม่ มันใช่ข้าต้มนะครับข้าวสวยธรรมดาเลยเข้าน้ำข้าวลงหลานไปนะ่คุ้คนใช่ไหมมันก็เหลวแต่มันก็ไม่ใช่ข้าวต้มพอมาแล้วไปต้มนี่นะนิมนต์ถ้าเราข้าวยาคูถึงข้าวจะเป็นของเหลวเพราะจริงแต่ก็ก่อให้เกิดการห้ามพันหน้าเพราะไม่ใช่ข้าวต้มจริงๆนี่นะแต่ถ้าพวกเขาใส่ของฉันนี่มันก็เปลี่ยนนะครับ ใส่ข้าวสวยเนี่ยอัลมอนด์กี้นะมันเขียนว่าใส่ข้าวสวยเพื่อที่เขาเทาน้ําข้าวเทน้นลงไปมดกี้นะครับถ้าเขาใส่ข้าวสวยเนี่ยลงไปในน้ําที่กําลังเดือดอยู่เป็นต้มต้มถวายไปต้มเลยเพราะฉะนั้นนี้จะเข้าในข้าวยาจีเหมือนกันมันก็เป็นข้าต้มจริงๆเรนนี่ <c oughs> ถ้าเขาใส่ปลาชิ้นเนื้อหรือเอ็น แม้เพียงเท่าแม่พันป่า ก, กาลงในข้าวยาคูก็เกิดการห้ามพันค่ะโอ้อเสดเลยะนะอย่าไปใส่เนกระโปรงตากระโปงเนื้อเนะี่ยพอใส่ฟุ้งการโพชนาขึ้นมาเลยใช่ไหมโพชนาให้ข้าวสุกขนาสุกขนมให้ปลาเนื้อใช่ไหมครับถึงก็ต้องมีจเลว่าจริงเนี่ยแต่คุณดันไปใส่เนื้อใส่ปลาเข้าไปเน่ะมันก็มีโคชนาพลอยู่แล้ ว, ว, ลลวถ้าไปห้ามพันก็มีการห้า ม, มเราลงใข้อวต้ต่อปลา่าไม่ใส่ปลาไม่ใส่เนื้อใส่อะไรครับ แสดงว่าทุกผลไามาพ้พอะไรที่พาไปนี่นะแต่เนี่ยเขว่าแม้นี่เดียวนะเท่าไม่ทันประกาไหมครับนี่มีเนื้อมปลาไม้แต่เอ็นนะก็ก็ถึงการห้ามพันบรรดาธัญชาอันอันนี้เปลี่ยนเขเปลี่ยนเพราะว่าเว้นเข้าวสารนะเพราะว่าบรรดาเปลี่ยนเป็นเพราะว่าเว้นเข้าวสารแห่งธัญชาดังกล่าวแล้วน <c oughs> ะครับเว้นเข้าวสารธัญชาดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งสิ่งอนุโลมเข้าในทายาตินะั้นสิ่งนุลมงค้านทายาติคืออะไรเขียนไว้ข้างล่างว่าทายาติอนุโลงคือลูกเดือนเข้าฝั่งใหญ่เข้าฝั่งอะไรมาอะไรไม่รู้ข้ า, ขาวข้าวโพนะครับข้าวโพดนุเดือนข้าวโพดพวกนี้เนะี่ยก็อยู่ในนีนญญนนะ่นะครับครับอยู่ในนี่นะทายาตินี่แหละนะครับนี้ เขาเข้าสุกที่เขาหุมด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอื่นจะเป็นขุยไผายเป็นต้นก็ตามนะครับเขาไม่ได้เอาทธัญชีพไม่ได้เอาของดุลข้าธัญชีพนะเอาขุยไผายเป็นต้นแล้วไปหุงมันเข้าวสุกนะจะเป็นเน่ามันแลกผลไม้ก็ตามย่อมรม่ก่อให้เกิดการท่านพันเพราะถือว่ามัใเช่พันมันช่ข้าวสุกนะครับแอันนี้ได้แล้วนะอันนี้จำหลังว่เข้าสุกค <mar man, S 2> <ๆ>ืออย่างนี้นะครับ ที่ผุงมาจากพิเศษเป็นอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าวต้มเหลียวใช่ไหมถ้าเป็นข้าวต้มเหลีวตับไม่มีรอยก็ไม่เป็นไรครับต่อไปนะขนมสดแล้วขนมสดตอนนี้เขาแปลว่าขนมกุ้มากขนมสดเนี่ยขนมกุ้มากเขาทําด้วยข้าวเหนียวนี่นะขนมกุ้มากขนมสอดเนี่ยเขาแปลขนมกุ้ม่านะที่เขาทําด้วยสิ่งอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้น ไม่ก่อการแ้ามพันธุน์หรอกเนี่ยเอาเฉพาะที่ทํำด้วยข้าวเหนียวแล้ะขนมตโเนี่ยที่ทําด้วยถั่วเขียวถั่วงาอะไรนี่ไม่เอานะครับไม่ถือว่าห้ามพันธุน์หรอกเอาเฉพาะตรงนี้นะครับพวกขนมเนะทานด้วยข้าวเหนียวทานด้วยแป้งก็สงเคราะนะครับมันจะอยู่ที่นะทานด้วยแป้งมันจะไปเข้าขงงนมแห้เนะครับต่อไปเข้า ชื่อว่าสตุูขนมแห้งเนี่ยเขาแปลว่าขนมแห้งเข้าแปลไปก่อนนะสามเรียดเป็นสตุขนะครับอ่าชื่อว่าข้าวสตุหรือขนมแห้งเป็นของที่เขาคั่วด้วยธรรมชาติเจ็ดชนิดนะครับธรรมชาติตัอย่างเป็นคั่วเฮ้ยโดยที่สุดแม้เป็นของที่ละเอียดเช่นแป้งเป็นต้นผมเขียนว่าเข้าคั่วเขาคั่วใช่ไหม ข้าวคั่วแหละข้าก็เอาข้าวสาทำน้ำไปคั่วใช่ไหมครับแล้วก็ไปตําตำตำเอาไปข้าวคั่วที่ว่าจะมีมีฉันไหมครับมีมีนะนั่นแหละเท่าก็มาแกงมาใสนะครับเขาเข้าวคั่วเนี่ยและลำนะครับซึ่งน่าจากการตเข้าสารของเข้าเปลือกที่คั่วให้สุกเกลี่ยวแล้วเนี่ยเขาต้องคั่วให้สุกจริงๆเลยใช่ไหมนะครับจันเข้าในข้าวสดุเหมือนกัน อยู่ในขนมแห้งนะพวกนี้เรียกว่าศัตรูไปเรียกเขาขนมมันไม่ใช่ขนบอยู่นเดียไปทำอหนึ่งก็ได้ครับเรียกว่าศัตรูเหมือนกันพวกนี้ก็ห้ามพันนะก้อเข้าสารและหรือเข้าวอกแห่งเข้าเปลือกที่คั่วสุกพอดีหรือสุกด้วยแดดนะครับถ้าสุกจึงไม่เกลี่ยเป็นห้างพันนะแต่ถ้าไปคั่วนะก็ให้สุกพอดีนะครับหรือสุกด้วยแดดย่อมไม่กอเกิดการห้างพันนะครับีนี่นะ ข้าวสุตและขนมแห้งแห้งเป็นต้นที่ทำให้ข้ามตอกก็เช่นเดียวกันคือไม่ห้ามพันไอขนมที่ทํามาจากข้าวตอเนี่นมันก็ไม่ห้ามพันเดอดขาดอย่างเช่นไก ย, ยางสาใช่ไหมไก ย, ยางสาทําจากข้าวตอกจริงครับใช่มข้าวข้ามไปขั่วต่อนมันเป็ข้าต่อแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรทีมร่มันทำเรื่องไหมนะก็ไม่ห้ามพันเือครับแล้วต้องรู้นะไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ ห้ามพับเป็นหมนะครับนี่แหละข้าวแป๊บหรืว่าข้าวสุกขนมสุดขมแห้เข้าแปลบไปก่อนนี่เราก็ต้องมาดูว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะอันยินครับนี่แหละข้าวต่อก็ไม่เป็นหรือว่าข้าวข้าตวาาาต่อใบโหงอีกทีหนะึ่งเข้าสู่หรือไปทําเป็นขนมแห้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ก่อถึงการห้ามพัน 5, นะครับ อ, นนอันนี้ก็มีเกลียวแค่นี้นะแล้วก็ท่าจะพูดอถึงเกลียวเรื่องแป้ง ถ้าแป้งเนี่ยก็มันจะมีแป้งทุมนเที่ยวอันนี้พวกถ้าแป้งธรรมดานะที่ไปทําขนมปังทาขนมอะไรต่ออะไรใช่ไหมมันก็ห้ามพันนะครับแต่ถ้าแปง้งนะถ้าเ้าไปขั่วหรือไปทอแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ ก, ก่อเกิดการห้ามพันอย่างเช่นเนอ้สโตรมันที่ก็ไปทอดตายห้องโถงเนี่ยเอาแป้งไปท่อเลยอย่างนี้นะก็ไม่ห้ามพันนะครับ น, นึ่น ไปท่อดไปคั่วแล้วนะครับเราก็ดูกันล้กันเนื้อม่อกองไปท้านพันหรอกแต่ถา้าให้ธรรมดาเนะี่เขาไม่ได้เป็นคู่ไปท่อดนะันห้ามพัน 5, อยู่ครับีน้ต่อไปนะครับในบรรดาปลาและเนื้อท่าพิสุกรเล่าหนึ่งข้าวอยา่างคูทายโยตหวายชิ้นเนื้อหรือชิ้นปลานะครับอันนี้ปลา น, นี่ทอดไหมปลามันไม่ใช่ มันจะมีบาที่ข า, าสั่งนะทุชนิดเนี่ยวย่ป า, วยาป่าเอาปูเปอากุ้งอยู่เลยนะครัไม่ได้หมายถึงป่าเดียวนี่แค่ชหมายหเดูหน่อยะครับยื็นป่ไม่อท่านจะพูด่ปสิทธานบหมู่เ น, นะนี่ยพึ่กาจะหมนแต ว่าตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแต่จะพูดถึงข้างแรกแล้วว่าเหมือนสัตวนะ์แั้นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับถ้าพี่สุบกาลังดื่มข้าวยางคูทายกถวายชิ้นเนื้อหรือชิ้นปลาในภาชนะอันเดียวกันหรือภาชนะต่างกันเท่าขนาดไม่เข้าต้มเนี่ยผู้ย่างอุกิจเลยนะเข้าถวายแค่นิดหนึ่งยาวนิดเดียวเนี่ยถ้าเิมไม่ได้ฉันเนื้อเป็นต้นเหล่านั้น ห้ามโปชนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะก้อนแต่ก็ห้ามพลาดอีกชื่อว่าแม่ห้ามพลาดเพราะที่ไม่ได้ฉันเนื้อเลยใช่ไหมท่านกำลังฉันข้าต้มอยู่นะครับมีเอาเเนื้อคว า, ามถวายช่านก็ว า, างไว้ในถาันะท่ายังไม่ได้ฉันฉันในข้อต้มอย่เดียวแล้วมีคนเอาเอาโปชนะมาถวายแล้วก็ห้างไม่แต่ห้างนะครับเพราะทายเป็นโปชน่าจริงแต่ของพ่สูจน์เข้าต้ม อ, อยู่ใช่ไหมท้านยังไม่ได้ล ง, งมีฉันปลา แต่ถ้าลงมีฉันเนื้อพวกบเนี่ยเนี่ยจะมีการห้ามพัน 3, แล้วเนี่ยเขบอกว่าอะไรนไห น, น, ไ น, นกินไม่ไอ้ว่านะชื่อว่าไม่ห้ามพันจากนั้นเนี่ยเขาชิ้นเนื้อหรือปลานั้นฉันชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าต้องฉันนะแล้วนน ช, นนชิ้นหนึ่งยังอยู่ในมือฉันเป็นชิ้นหนึ่งอีกชิ้นนึ่งยังอยู่ในมือเขาหรือในบมาดยังมีถ้าห้ามเนื้อและปลาอยู่ย่อก่อกลายการห้ามพันได้ ม, มีอยู่ในมือในบาหรือในป่าอินนะมีชิ้นเนื้ออยู่นะครับข้อโภชนะมาถวายแท้ๆถ้าไม่เชื่อไม่การห้ามพันธพราะว่มันมีพันทิ้งชิ้นปลาชิ้นเนื้ออยู่ใช่ไหมนะครับแม้ฉันหมดแล้วเพียงเมล็ดพันธพันกากก็ไม่มีเหลืออยู่ในป่าก็อย่างเลยถึงจะห้ามโภชนะอื่นนะครับยังเชื่อไม่ได้ห้าหมอยู่นั่นเองเพรวถ้าไม่มีโภชนะไม่ได้ฉันโภชนะให้ฉันหมดแล้วเลยเขาตกปา ห้ามพันนะครับก็ไม่เป็นอาหารส่วนพิสุดใด้ชนะอาหารที่เป็นกบิยะาหาระืออกบิยะอื่นอย่นะคนี่จะพูดถึงนะเป็นยังไงอาหารที่กบิยะสมควรอกบิยะไม่สมควรนะคะระับห้ามอกบิยะบางสัารนะครับเนื้อไม่สมควรที่พิสุจะฉันอันนี้นะอันนี้นะความเนี่ยมันลางๆไปนะครับผมไม่เขียนใหม่ตอนนั้น ห้มามอักบยาบางแสนี้ไม่ช่วยแห่พันนะห้ามอักบยาโชนะนะครับที่ได้จากคุรุตูสกดกรรมการประจบข้รือใช่ไหมกาประจบปัจจใจชาวบ้านนี่ก็ได้โพชนะมานะครับก็ห้ามนะไม่ว่ากับยาโพชนะได้จากอุปชยกรรมการทาตัวเป็นหัวรักษาโลกเพื่อล่านนะครับจังติดมนุษยธรรมและจากอยะเครื่องเงินซื้อมานะครับเป็นต้น ห้ากับเปียกโชน่าหลังนี้นะไม่ชัว่วห้าพันเพราะว่าสิ่งเนี้เป็นขอริคนห้ามอยู่แล้วนะครับถึงเรื่องห้างมัเนเสียห้าพันหรอกนี่นะพชน่าใดที่สุกําลังฉันอยู่และโพชน่าใดทา ย, ยอ่อมอยเนาถวายน้องถวายแค่ทั้งสองฝนะ่ายเนีะโพชนะ่าพิสุห้ามเสียย่อมก่อเกิดการห้ามพันรั้งสราบถึงโชน่าและอาหารฉัน นั้นแล้ววันนี้เพิ่งสร้างทียย่ฉัยกันต่อไปนี้อีกครับเพื่อเกิดความเข้าใจถึงอาการที่เป็นเหตุให้ถึงการห้ามพั์ถ้าจะอธิบายในที่นี้หนึ่งอันดับแรกคุงทราบในคำว่าอัศนันโพชนาดังนี้ก่อนอการฉันครับพระสุดใดฉันข้าวเข้าไปเพียงมเมล็ดเดียว ถ้ามีโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในบ่าในป่าหรือมือที่ใดที่หนึ่งครับถ้าลมือฉันไม่ได้เดียใช่ไหมแต่อาหารก็ยังเหืออยู่ในมือในบ่าหรือว่าในป่าเรามีอาหารเหลืออยู่พิสูจน์นั้นยังต้องการอาหารนั้นก็จะฉันอยู่อะไรอยู่นะครับห้ามโภชนะซึ่งมีลักษณะดังกล่าโภชนะห้าที่ว่าอะไรชื่อว่าห้าพันะครับถ้าหมดความต้องการนะ <c oughs> สิ่งใดเหลืออยู่ในบัาปเป็นต้นไม่อยากฉันสิ่งนั้นเราลงมีฉันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาหารมันเยอะในบาปเราไม่ต้องการจะฉันแล้วนะอีกแล้วเราคิดว่าจะเก็บไว้ฉันเพยนะครับหรือเอไว้ฉันหรือคิดว่าไม่ฉันแล้วมันเลยเพยใช่ไหมหรือว่าคิดว่าจะฉันเพลงไปฉันที่อื่นก็แล้วแต่นะครับไม่อยากฉันสิ่งนั้นแต่อย่างที่ให้ผู้อื่นเนื่อยหรือต้องการจะไปฉันที่อื่น ถึงจะห้ามพังก็ไม่เชื่อว่าห้ามพังนะครับอันนี้เนยถึงแม้ว่าอาหารเราก็ยังมีอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่เราถือว่าอิ่มแล้วเราคิดไม่คิดขันตอนนั้นแล้วนะครับสีเกไม่ยวกับสังเวลนู่นอันนี้ห้ามพังก็ไม่เป็นนะห้าเนี่นะครับพรมสิวถือว่าไม่ได้อยู่ในขนาดที่ฉันนั้นนะพ่อเรียบร้อยแล้วและก็ไม่ได้จะฉันสิ่งนั้นแล้วนะครับอเข้า ห้ามพลาดใช่ไหมครับห้ามการหรือวาจาก็ได้รออแล้วก็รวาไมเอาอะไรเงี้ยนะครับครับว่าไงเอาคมหายขอมยออว่าโยนกาตุนลูกอ๋อครับบอกอครับอะไร่ชื่อยอย่านี้ป็ห้ามหรือเปล่าไม่ได้จะห้ามนะครับไม่ห้ามห้ามเลิกการในวาจาดีกว่านะ มันจะมีตัวอย่างอยู่นะครับบอกว่าไรถวายพิสูรรูปนู้นเะนีมันบอกมาถอยท่านนะครับแล้วก็มันบอกว่ า, วาเอาประการเรียงใช่ไหมมันจะมีตัวอย่างที่ท่านบอกไว้นะครับ ต, ตัวอย่างของท่านนี้ก็แฝนะตัวอย่างของท่านมีองกแบบหนึ่นะครับโยมก็จะมาถวายอาหารท่านก็ไม่อยากจะล่าหรอแต่ถ้าห้ามก็จะห้ามพัดใช่ไหมเขาบอกโยมใส่ไม้เต็มบาตรไเลย อันไปให้แน่นเลยนะอย่างนี้ไม่เชื่อเป็นการห้ามผันนะครับนะครัแต่ถ้าอันนี้เดยวจะดูนะเดี๋วดูนะเป็นยังไงเขาบอกว่าพิสุทสิ์สันนิ้วมือนะฮะหรือมือพระไล่แมลงวีหรือชายจีวรกระทำ อ, อาการด้วยคิ้วนะหรือแกลโกลดแลดูชื่อว่าหา้หามด้วยการ ชื่อว่าห้ามวาจากล่าวว่าพอแล้วฉันไม่รับย่าเทลงจงถอยไปเมื่อไม่สุ่มห้ามพานด้วยกายหรือด้วยวาจาโดยการเห็นละเอียดหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการห้ามพัด น, นะคะรับมีนูกปลาเป็นถวานุกิณก็ไม่มีนะไม่มีที่บอกไว้นะครัเป็นถวานุกิณเขาเจว่ามันเป็นการห้ามเนทนต์ที่นี้นะ ไม่มีการแห้าหรือมมีการห้เกิด่าวา้าเนี่ยแล้วโยมไม่ได้อยู่ในคับป่าอ๋อไม่เห็จะสิทธครับเกิต้องเข้ามาแย่งบาแล้วก็นอ้๊าหายเข้ามาถวายด้วยต้องขบ่งครับขบ่งข่ห้นะครับเลยถ้าเกิดบอกว่าค้างนเยอะกันนอย่างเนี้ยอา ข้างในเยอะแล้วนะมันก็น่าจะห้ามนะครับเนมครับข้างในเยอะแล้วก็คือข้าไม่เอาแล้วแหละมีขเองแล้วครับเราก็เหมาอาหารนะแสงก็เต็มเลยเร้าไม่หึงข้าวเราไม่ให้หมดนะไม่เนไรเหือก็แล้วแตเลยครับข้างในเยอะแล้วนะครับ ความจริงมันก็ไม่มีสาม อ, อย่างนี้เด่นตรอนะเยอะแล้วแต่มันก็เป็นการห้ามเพราะว่าห้ามดนอ้อนใช่ไหมฮะเป็นกนารอ้อนมันก็มีนิสัยบางท่านตรงต่อไปนะครับ น, นี่ลองอีกหนึ่ครับดีดนั่นจะพูดถึงนะนั่นน่าจะพูดถึงนะครับนั่นจะพูดถึงเก่ยกัารห้ามในรายละเอียดนะต่อไปนะครับ ส่วนคำ ว, ว่าส่วนในคำ ว, ว่าหันถามปาเสกจิโตยืนอยู่ในอัธบายนะั้นมีวินีใช้ว่าถ้าพิสุนั่งปฏิบัติานอัธบายนะเกี่ยวกับทาอัธบายข้างหนะ้าเลยละเอียดเลยนะอัธบายอัธบายก่อนถ้าพิสุนั่งกำหนดวัดจากด้านหลังสุดของสะโพกก็เนี่ยนะสะโพนะครับก็วัดไปนะสองสองครึ่ง ถ้ายืนอยู่กำหนดวัดจากที่สุดของส้นเท้านะครับวัดไปเพราะฉะนั้นถ้ายืนเนี่ยมันก็จะแด่นสบายใจหน่อยใช่ไหมเพ่ายตัวเรามันได้กินไปเยอะใช่ไหมครับเรายืนเนี่ยนะแล้วก็นับจากส้นเท้าไปเลยแต่ถ้านั่งบางทีนี่ยตัวมังทีไปหนึ่งหนึ่งสองแล้วนะใช่ไหมครับเลยแค่หนึ่งสอนนะหนึ่งขึ้นนะเพราะเราวัดจากข้านหลังไปนะครับมือเท้า อย่างนี้ยนี้อะไรอะไะไรแบบนี้ผมก็อเวลาบางคนให้ยืนเนี่ยยืนน้องไปมากเลยยืนเตื่อเลยขาจะเอาอะไรมาเปนเกเขาต้นเขาต้อใส่หรือว่าต้งใส่เอาส้นพาเอาส้นพลามีส้นโยมของโยมนี่าจะบอกนะโยมเอาวางส่วนไหนก็ได้โยมเว้นมือที่เหยียดออกมือคือตั้งแต่ข้อสอบถึงปละคุณนะคุณ แต่เวายร้ายที่เหลือเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาที่แกยื่นมาได้หมดครับแล้วหมดนะแต่ว่าก็จะพูดภา้าใช่ครับไม่ได้หัวเข้าได้นะหัวเข้ายื่นมานได้ใช้ได้ครับอันนี้ครับครับแต่ว่าบางทีถ้าถ้าผ้ายื่นไปเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมยวกหนีใช้ตัวเองยืมไปยื่นไปหัวผ้าไม่ได้เอานี่ ในก็อาส้นเท้าเหมือนเดิมที่เมืแต่ด้านของรวมแล้วก็ตรงไหนที่มันใกล้ที่สุดเน่ะเว้นอยู่ที่มนเหยื่อออกครับถ้าเขายื่นมาก็พร้อมเซตี้จะถึงอัฐบาลนะครับอ่าท่านอนเขาถ้าที่สุดนอนทําเลยกําหนดจากที่สุดหน้าลอกของสีข้างจนถึงเอาไว้ว่าที่ใกล้สุดของทายยกก็นี่ใครพูดแล้วใช่ไหมแวร์เรานอนเนี่ยเข้ามาทงนี้เราก็ว่าดจา มาสะโพกหน้า น, นี้ไปเพมีควาสี่ข้างหน้า น, นี้ไปนะหนึ่งสองครึ่งเข้ามาใน้แล้วก็วัดจะดน้า น, นี้ไปนะครับเนี่ยหนึ่สองสองสอครึ่งน่องสองสองครครับนะครับจนถึงอวัยวะที่ใกล้ที่สุดของทางโยมนะผู้นั่งยืนหรือนอนับอยู่โดยไม่นับมือที่เหยียดออกมานี่นะของโยงส่นไหนก็ได้แม้มือที่เหยียดออก กำหนดนเราเฉพาะอวัยวะด้านในนั้นอวัยวะด้านในนั้นครับที่ว่านมาอย่างนั้นได้ประมาณสองสองครึ่งพึงทราบว่าเป็นหัฐาบาถ้ายกยืนอยู่ในอัฐบาานั้นน้องโคชนามาถวายมวดพิสุทธห้ามอาฐานเชื่อห้ามพันแล้วนี่เอาที่สองนะนะครับ เลยขับถ่ายานั้นไปไม่เป็นการห้ามพันนะครับถ้าอยู่ไกลในี่ยถ้าบานนะไม่เชื่อเป็นการห้ามพันเราก็ห้ามแต่ไกลเลยนี่ปัญหาครับก่อนที่เขาจะเข้ามาอยางถ้าบานนะนี้นะครับก็รีบบอกแถบเลยในคําว่าอภิหารติน้องเข้ามาถวาบานมีวิธฉัยดังนี้ทายกมีอระวังถ้าบานอันนี้เข้ามาแล้วนะน้องเข้าไปเพื่อจะให้ขึ้นสูงแล้ว อันนี้ถ้าที่บายไม้เท่นี้ก่อนแล้วอธิบายทีมันเขาว่าน้อมเข้ามาอยูอยู่ในอธิาบายเฉยๆยังมันยังไม่น่าร้องยังไม่คงหรอกเขาต้องน้องของเข้ามาถวายด้วยเมื่อพิสุรับอันนี้ถึงจะได้ออมนะครับแต่ถ้าพิสุผู้นั่งถัดไปไม่น้อมบานที่มีอยู่ในนี้หรืออยู่ในเชิงรองอันนี้ก็กำลังพูดถึงว่าพิสุได้กันจะให้ของกันเองครับนะได้จะบอกว่าท่านจะรับข้าสุต จะแบ่งของให้เพื่อนใช่ไหมแต่ไม่ได้หยิบของขึ้นมาไม่ได้น้องบั่นมาบอกแต่ว่าท่านทรงรับข้าสุขเมื่อที่สุขห้ามข้าสุขนั้นไม่เป็นการข้ามพันใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้น้องมาน้องด้วยวารจาไม่เอานะครับเขาท่านน้องมาด้วยกายด้วยอันนี้นะ อ, อ้อผมจะแบ่งให้ท่านครับท่านจะเอากับอย่างนี้นะแต่เราไม่ได้ยื่นมาเราพูดเฉยๆคนให้เราก็ไม่เป็นการข้ามพันนะครับ แม้ในอาหารแม้อาหารนี่แต่กล้าทิทยายกยกองมาวางถวายไว้บนพื้นข้างหน้าก็มีในนี้เหมือกันยกองางไว้ข้างหน้าแล้วเราบอกด้วยกายนะอย่นี้ก็ไม่เป็นห้ามถ้าเขาน้อมมาด้วยอะไรนะน้อมมาด้วยวางจานจะถวายเราเนะี่ยแต่ม่ได้ยกของขึ้นนะก็ไม่เป็นอห้ามก็ต้องยกขึ้นนอมมาถวายด้วยกายแต่เมื่อเขาขยับเนี่ยนะยกขึ้น หรือน้อเข้าไปหน่อยหนึ่งกราถวายว่านี่มรท่านรับเถิดยกขึ้นแล้วนะเมื่อพิสูจห้ามโพชนาน้นจัดเป็นการห้ามพัดทายกถือตะกร้าอาหารอีกคนหนึ่งคิดว่าจะช่วยยกจึงช่วยจับเท่านั้นผู้ปรเคเท่านั้นยกตะกร้าอาหารถวายมันจะมีคนยกเต็มๆคือทางยกใช่ไหมอีกคนหนึ่งคอยช่วยเฉยๆนะครับ เพราะฉะนั้นอาหารนั้นชื่อว่าผู้ถวายนั่นแหละยกมาเพราะเขาเป็นคนยกคุณเต็มเมื่อพิสูจนห้ามทายกผู้ถือไว้ด้วยต้องการจะถวายอาหารจากพระเช้านั้นจัดเป็นการห้ามพักเพราะห้างผู้ที่นอเข้ามาแต่ถ้าผู้ถวายเพียงถูกต้องเฉยใช่มคนที่ถือเต็มเต็มเป็คนช่วยคนถวายเขาได้เขาได้แค่ถูกต้องเฉยนะครับ ผู้ช่วยนอกนี้ช่วยยกไว้เมื่อที่สุกห้ามทา ย, ยกผู้ถือเอาไว้เพราะต้องการจะให้อาหารจากกระเช้านั้นไม่เป็นการห้ามพันเอาคนที่น้องเป็นเกณฑ์ถ้าเราห้ามคนที่น้องมาก็เป็นการห้ามคนที่เขายกเต็มๆแ็ก็น้องมาคนนั้นถึงเป็นการห้าถ้าคนที่ไม่ได้น้องมาแล้ขาช่วยแสะเฉยๆนั้นก็เป็นการห้าม เมื่อเขาเท๊อปีตักขึ้นถวายก็เป็นการห้ามพันกันก็ถือว่าน้อมมาด้ยท๊อปทีใช่ไหมตักถวายถือวน้อมมานะครับเมื่อพิสุทห้ามสิ่งของที่เขาช่วยกันยกของคนเลยชื่อว่าห้ามพันก็ห้าก็ห้าเป็นการห้าหมมุนนะเมื่อชายยกถวายข้าวแก่พิสุทผู้นั่งถัดไปพิสุทรูปหนึ่งเอามือปิดบาเอ้า เขาจถวายผมบิอีรูปหนึ่งปะบาทเท่านี้ครับพราะฉะนั้นที่เข้าน้อมถวายแก่พิสูกร be ูปอื่นถูกพิสูรถูกพิสูรนะครับรูปนั้นปฏิเสธแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการห้ามผับไม่เป็นหรอกเพราะรูปี่เขาจะถวายท่านก็ไม่ได้ห้ารูปที่ห้าเขาไม่ถวายเขาไม่น้อมไปให้ท่านนะครับเพราะนั้นไม่มีการห้ามพับอื่มีกาห้ามเลยนะ ต่อไปน้ครับเนี่ยมันเกี่ยวการปฏิเสธนะในคํวาว่าปฏิเคโปโ ม, มีการห้างพัดมีวินิชาใ น, นต่อไปนี้พิสูห้างพัดที่ทา ย, ยกน้อมถวายข้าวด้วยวาจานะครับพิสูปฏิเสธไม่จัดเป็นการห้างพัดเขามันในยกขึ้นจะม่เขาน้อมถวาย ว, ยวาจาเฉยไม่จัดเป็นการห้างพัดนะครับ แต่เมื่อห้าด้วยกายมีการยกมือห้าเป็นต้นหรือห้าด้วยวาจาว่าพอแล้วอย่าถวายเลยเรียกจำไว้ความพูดประมาณนี้ครับพอแล้วอย่าถวายเลยเยอะแล้วอย่าเทลงจนถอยไปอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละพระที่เขาน้อมมาถวายด้วยกายจัดเป็นันที่สูงห้ามแล้วแท้ ทำเวกานก็ได้ในขะยงไม้ขยำนีน้แม้แต่แอนอยูู่ข้อในความโร ก, ก, มกรธก็ถือว่าเป็นการท่านเนี่ยท่านอาจารย์ทิวายนะท่านยิ่งพูดเสริมว่าถ้ามีพิสุรูปหนึ่งสังเกตเห็นพิเองพิสุอีรูปหนึ่งนะค ร, รับนะว่ากําลังจะนําำพันมาถวายท่านแล้วท่านเรีบชิงพูดก่อนเลยนะว่าผมจะถวายแล้วให้ท่านนะครับเนี่เขาบอกว่า ท่านจะรับอะไรบางอย่างจะบาปผมผมนี้บ้านใหม่ผมจะถวายอะไรแก่ท่านใหม่แล้วว่าพันเตกําลังจะถวายหาในผมเนี่ยผมสังเกตเห็นเริ่มยกของมาถวายนละ้ผมก็เลยไม่ริงพูดเออพันเตเอาอะไรมาเขผมจะถวายในหะ้ <S <S พันเตอย่างนี้นะพันเตก็จะได้รู้แหละมันก็เป็นการห้ามในอ้อมใช่ไหมผมกลับจะถวายให้เองนะเพราะเห็นนายกันพันเตจะถวายแล้วอย่างนี้นะครับเป็นการห้ามพันด้วยกันนะ เนี่ยในคำแม้นั้นพ้ามหาสมมาถรีราก็กล่าวว่าจัดเป็นการห้ามพันธ์ยังยังนะงนะ่อยันน่ะอันี้ไอ้พูดถึงมตินี้ก่อ น, นครับพอาะพิสุนั้นกล่าวด้วยสายใจว่าพิสุนี้จะไม่มาเยสันนัตของเราด้วยการกล่าวอย่างนี้ฝ่ายข้ามหาปฐุมเถระถรกล่าวว่าธรรมดาพิสุผู้กล่าวว่าท่านจะรับไหมบางรูปว่าเป็นการห้ามพันธ์จึงกล่าวว่ายังไม่ชื่อว่าห้าม เอามาตีหลังนะครับไม่เชื่อเป็นการห้าพังหรอกนะถึงจะเป็นใช้แชร่ใชาอะไรกชไม่ก็ไม่เชื่อเป็นการ 5, หร้าพังนะครันนครับมันก็ต้องแห้ามนึกว่านนะั่นด้วยกายหรือเดี๋ยววันชาพูดปฏิเสธลงไปครับอันนี้เข้าไปครับและรูปที่เมื่อกี้เนะี่ยก็ไม่เป็นการห้ามนะถ้าบอกที่สู่รูปหนึ่งเมื่อชายกน้องถวายพัด กัวแต่การห้าพันเราห้ามพันลายฉันไม่ได้นะเนี่ยท่านก็เลยทํางาน่ชะช่างมือออกพูดกับชนพูดเทเข้าวสุกปฏิบัติแล้วแล่าเล่าว่าท่านจงเ ท, นทนลงไปจงเทนลงไปเถอะจงกดลงจงกดลงมันจึงให้เต็มเอถอะถ้าไม่ต้องการจะเล่าน้าผุ่มกัไปชดนะเล่ายองเทลงไป้เต็มเลยใส <c oughs> ่ลงไปกอดใหตเต็มเลยนี่ครับ เป็นการไปชนนะอย่างนี้ก็แบบเป็นการห้คำพันอะไรหรอไม่เนการห้คพันนะพ่อทำไมได้ให้าึงพูดไปชนยังไงก็แล้วแต่อะไรหรมันต้องเป็นการให้จริงๆอี่เชื่อว่าให้นะเลอ้อเลยิ่งไม่ไม่ถือเป็นการให้เลยอรยอมจะมาบอกรายยอมให้เต็มไปเลยมีปัญหาหรอวงนี้ล้ามนี่ต้องให้เลยะรอล้ามนลยอะไรมาก็เนี้ย เอาไมา่เอาไม่ลวอีบกงานโยายต่อไปนะครับต่อไปนี้จะผู้เกี่ยวกับเรื่องของนี้ก็จะมาถวายนะครับ้ายกคนหนึ่งนะว่า น้ำแกงมีเนื้ออยู่ด้วยกราบถวายว่าท่านจะรับน้ำแกงพิสุได้ยินแล้วปฏิเสธไม่จัดเป็นการห้ามพันนะครัเพราะว่าแกงมันมีเนื้ออยู่ก็จริงเขาไม่ออกชื่อเนื้อเขาบอ ก, กว่าให้รับน้ำแกงหน่อยออกแต่ชื่อสิ่งที่ไม่ใช่โคชนะนะพิสุห้ามเพราะมันเป็นการห้ามพันแต่เมื่อเขาบอกให้รับน้ำแกงเนื้อแต่เขาว่าเนื้ อ, ขอเขา้าไปครับเมื่อปฏิเสธชื่อว่าเป็นการห้ามพัน นะอยู่ที่คาพูดของโยกเหมือนกันนะครับนึก<ม>บอกว่าอ้าวนี่โมลลักแกขนุนมันมีเนื้ออยู่แต่เขาไม่ได้ชื่อเนื้อเขาเาแต่แกงขนุนใช่ไหมเราห้าก็ไม่เป็นการห้ามพันธนะครับเพราะเขาไม่ได้ออกชื่อโคชนะแม้ในขาที่ทายโยกล่าวว่าท่านจงรักของนี้นะครยังคงเป็นการห้ามพันเหมือนกันเพราะว่าไอ้ของนี้มันมีเนื้ออยู่ใช่ไหม เพรของนี้มันก็เลยคุมไปเลยนะครับก็เป็นการห้ามพลาดทายกทายกแยกชิ้นเนื้อออกกล่าวว่าท่านจงรับแกไเนื้อเขาแยกชิ้นเนื้อแล้วนะถ้ามีชิ้นเนื้อเท่าและพันผักกาดอยู่อมีเนื้อหน่อยครับเมื่อพิสูปฏิเสธก็ชื่อว่าห้ามพัาดเหนกันเพราะมันยังมีเนื้อเหลืออยู่แล้วเขาก็ออกชื่อเนื้อด้วนะครับถ้าไม่มีเนื้ออะไรเนี่ยสมควร พวกทายกเอาหน่อไม้และขนุนเป็นต้นยังมาแล้วมาแกงผสมกับเนื้อและปลาแล้วนําแกงนั้นมาถวายอย่างนี้ว่าขอท่านจงรับแกงหน่อไม้ท่านจงรับแกงขนุมเนี่ยไม่มี่อาชื่อพันเลยใช่้หมแม้อย่างนี้ก็ไม่เป็นการห้างพันธุ์นะครับเห็นบนาต่หน่อไม้ขนุนนะครับแทนว่าเพราะเหตุใดต่อว่าคพราะของที่ไม่ก่อนกับการห้างพันธุ์ ทายกกล่าวออกชื่อกล่าวชื่อนอนไม้ขนมเนี่ยมันไม่เป็นพันนะครับแต่เมื่อทายกกล่าวว่าท่านจงรับแกงปลาท่านจงรับแกงเนื้อหรือว่าท่านจงรับแกงนี้เนี่ยซึ่งมันมีทั้งขนุนทั้งเนื้อทั้งปลาเนะี่ยจัดเป็นการห้ามพันนะครับถึงนมเนี่ยนมเนี่ก็ไม่ใช่โัชนะนะไม่มผัชนะนะครับร้อยห้าก็มันเป็นการห้ามพันนะครับเนี่ยท่าพูดไปในสมุนไพรนะ ถวายนมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ในการทำพันธุ์ท่านพูดถึงว่าทายกกล่าวแยกถวายในพัดที่มีร ส, ร ส, นะ ม, สมากกว่านิมนต์ท่านรับรสรสมีเผื่ออะไรน้ำแก่หรือว่านั้นซุปนะครับซุกนะในพัดที่มีนมสมมากกว่านิมนต์ท่านรับนมนงสดนะครับเนี่ยและในข้าวปลาหญ้ที่มีเนใสมากกว่า <c oughs> นิมนต์สั้นยใสเมื่อพิสูจน์ห้ามพันนั้นไม่จะเป็นการห้ามพันนะเพราะนตัวนี้ไมเรังในวหนนมสดหรือไม่ใช่โูชแนนะครับพคชแนนเขาบอกที่นมสดเลยนะห้ามกนเป็นการห้ามพันนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับที่ว่ามานี้เป็นความย่อในที่นี้สุงงานารละเอียดท้าวพระเจ้าได้อธิบายไปแล้วในเะอกสารพระวินัยชิสสมันต์ภาษาสิการไปดูกันก น, นะ ถ้าหยพิสารอะไรนรับมันถึงออกจากโอเคนี่ก็น่าจะแลใ่ไมคราวนี้ถือว่ายาวยาวบ้างนะครับก็ในอิริยาบถสี่มีการเดินเป็นต้นที่สุห้ามพัดในอิริยาบถใดต้องฉันโภชนะในอิริยาบถนั้นโดยไม่ทําให้เสียไปอย่างเช่นว่าเรากําลังเดินฉันใช่ไหมเราก็ห้ามพัดในอิริยาบถเดินนะครับห้ามเปลี่ยนอิริยาบถ ก็เดินฉันไปเรืยเรื่อยกว่าจะอิ่มนั่แหละนะครัมีนะครับท่านก็พูดถึงเนี่ยวิสูทเดินฉันทําไงก็เดินวนพุ่มไม้เหหมครับเดินวนประหารนั่นแหละออเขาก็ฉันไปถ้าเปลี่ยนโยบเดินไปยืนปุ๊บเนี่ยฉันไม่ได้นะเพราะถ้าห้ามพระละปีอิธิยาบดใช่ไหมรับไม่เปลี่ยนอิธยาบดมีนะก็โยบอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้านั่งก็ให้นั่งถ้ายืนก็ยืนฉันไปจนเสร็จนะครับ ต่อไปนั่นเนี่ยห้ามเปลี่ยนอิลยหบทถ้าเปลี่ยนจะฉันอาหารไม่ได้อีกต่อไปพูดถึงคาว่าอนาัตติฏฐังอาหารที่แม่ทอให้เป็นเดนนะครับ <c oughs> ความว่าไม่ใช่ของเดนคือไม่ใช่ของเหลือก็ของไม่เป็นเดนนั้นจะมีได้เพราะไม่ทำให้เป็นเดนด้วยอาการแห่งวินัยกรรมเจอย่าง เมื่วา่พูดเรดินสองอย่างเดินวิสุอ่าพาสใช่ไหครับอันนั้นไม่ต้องทําวินัยกรรมอะไรเลยเป็นเดินธรรมชาติของเขาและก็เดินอีกแบบหมต้องทําด้วยวินัยกรรมวินัยกรรมเจ็ดอยา่างมีของที่ไม่ได้ทําให้เป็นกับปิยาสเป็นต้นหรือเพราะไม่ใช่ของเหลือจากวิสุอ่าพาสเพราะฉะนั้นในวาระจําแนกบทแห่งสิกขาบทนี้ เพือาอพระเจ้าจึงตัดว่าอากเปียกกัตังเป็นต้นในคำนั้นผลไมห้หรือเง่ามันเป็นต้นใดยังไม่ได้ทาเป็นกบิยะด้วยสมณะวหารทั้งห้าไอ้ที่มันยังปกขึ้นใช่ไหมลายังไม่ได้ให้โยนทงกับิยะให้เลยนะครับถ้าไปทําให้เป็นเดนน่ยมันก็ทําให้ขึ้นนะทําให้ขึ้นน ะ, ะอันนี้และกเบิยะมังสะนะครับ หรือของอกัปปิยะใดมีอยู่สิ่งนั้นทั้งหมดชื่อว่ า, ากัปปิยะกัปปิยะนั้นอันพิสุจทําให้เป็นของเดนอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วคุณทราบว่าเป็นของที่ยังไม่ได้ทํากัปปิยะทําไม่ขึ้นการทําให้เป็นเดนออนั่นคุยอย่งว่าเราห้ามพลาดนะแปลน่ะเราก็การฉันดีใช่ไหแล้วก็อาหารของเราครับไปให้แก่พระรูปใดลูกหนึ่งก็ได้ที่ท่านกําลังฉัน ลงมือฉันแล้วนะครับหรือว่าฉันเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นุ่ไปนะนี่เราฉันเสร็จห้ามพลาดแล้วแต่ยังไม่ได้นุ่ไปเราก็ไปหาท่านแล้วก็บอกเนี่ยแล้วก็บอกให้ท่านฟังถ้าไม่รู้นะ <c oughs> รเราห้ามพลาดไปแล้วเนี่ยยออาหารนี่ท่านนะครับท่านจะบอกว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วพอเราพูดแค่นี้นะครับอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นเดรนแล้วแต่ว่าอาหารที่เราจะให้ท่านาทาเป็นเดงให้เนะะี่ย อาหารน้นต้องกับปีแญาก่อนที่มีผลระ้วหมางล่ามาที่จะปลูกขึ้นนะต้องเทากับปีให้เรียบร้อยต้องเปของที่เราเปิดเคนแล้วแล้วเราต้องเข้าไปในสบาทของท่านนะครับต้องมีองค์เหมือกันนะน้อมถวายนะครับท่าก็จะพูดอย่างนี้ดีแลนะนี่มีองค์อยู่นะโยมนะครับแต่วอันนี้ผููด อ, องค์แรกว่าถ้ายังไม่ได้กับปัญญาก็ไปทําไปเรียนไม่ขึ้นคําว่า อปติขะหิตะกะตังความว่าเป็นของที่พิสุยยังไม่รับประเคนโอ้ยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย้ยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยไยยยย้ยลลยยะะออยยยยยยยยยยยยย เราก็ยังไม่ได้ย้งหาน้องให้เขาเลยใช่ไหมให้คนนี้ทำให้เรานะเราไม่ได้ยกงน้องให้เขาเลยเขาไม่ขึ้นนะครับอาแต่์พูดอย่างเดียวนี้ไม่ได้คาว่าอาหารหาป า, าเสกตังคือยืนทําอยู่นอกทบาทนะครับไม่ได้นะะต้องเขงในในาเพิ่การทบาทให้เขาทำอยา่ า, างทบาทเราถึงจะได้ยืนทําอยู่นอกทบาทของพิสุภูมามือเบิดสงจะให้คํากับญาติคาว่าอภุดตามวินากระดัง พิสูตใดทำให้เป็นของเดงโพชนาพลการท้ามพัดนะครับอันนี้ต้องออกมานะเขียนเลยนะอันพิสูนั้นผู้ไม่ได้ฉันทำไว้แล้วอันนี้สำนวนหนึ่งนะว่านะครับอันพิสูผู้ไม่ได้ฉันกระทำให้เป็นเดงแล้วหมายว่าถ้าลูกนั้นยังไม่ได้ลงมือฉันเลยเนี่ย น, นะโพชนาห้า ให้าม่ลงมืฉันเลยก็ทําเป็นเดนให้เราไม่นะทําเป็นเดนให้เราไม่ขึ้นนะครับคนที่ทาให้เราต้องมีฉันแล้วด้วดนะมือฉั น, ฉนด้วยนะครับอันนี้พุตตาวินาปวาริเตนะอาสนาวุติเตนะกะตานี้มีเนื้อความชัดเจนแล้วหมายว่าถึงแม้ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะห้ามพัดไปแล้วด้วยครับแต่ยังไม่ได้ลุกจากอาสนะนะท่านก็ยังทําให้เป็นเดน เป็นเดชให้เราได้แล้วพอฉันเสร็จห้ามพระท่านลุกไปพวกนั้นที่ใช้เป็นเดชเราไม่ได้เลยคํ <c oughs> าว่าอารามเมตังสัมพันติอาวุตังต้องอ่านต่อไปนะความว่าอาหารที่วิสุทธิ์ไม่ได้เปลี่งมาจาทําไว้อย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอเลยเราย่อยพอพุกเขาก็อ่ะยกคืนมาให้เัานี้มันก็ไม่เป็นการห้ามไม่เป็นการท้ามไม่เป็นเด เขาต้องพูดว่าทั้งหมดนะั่นพอแล้วและส่งคืนมาให้เรานะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดชครับอันนี้ถ้าพูดถึงการทาที่ไม่เป็นเดชนะเป็นอย่างนี้นะครับตามที่ปล่ามานี้ของใด ย, ยังไม่ทําให้เป็นกัจยะด้วยการแห่งพระวินัยคำเจ็ดประการเหล่านี้และของใดไม่ใช่เป็นของเหลือจากพิสุอาภา ทั้งสองประเภทนั้นชื่อว่าไม่ใช่ของเป็นเดนทรงของที่เป็นเดนแล้วคือสร้างโดยในที่ตรงข้างเลยของที่เป็นเดนแล้วก็คือในตรงข้ามอย่างแรกอะไรที่มันเท่ากับเีิยลกับปิยา่ยาเรียบร้อยแล้วซช่ไหมครับเยี่ ย, ยที่สองของรับประเคนเรียบร้อยแล้วเยี่ยที่สามแล้วก็ของเร้ <c oughs> องเข้าไปให้เขาครับเยี่ยที่สี่ข้าก็ทำเนี่ยทบานเรา เข้าไปใกล้ๆเขาฟังเหตุบาทเราอย่างที่ห้ารูปนั้นน่ะเขาได้ลงฉันแล้วลงฉันโคชนะนะอย่างที่หกถึงเข้าฉันเสร็จห้าพันแล้วแต่เขายังไม่ลุกขึ้นก็ฉันให้เราได้นะครับอย่างที่เจ็ดเข้าต้องพูดด้วยว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วนี่นะข้อผมเจ็นะครับการทําให้เป็นเรืองเจ็ดองนะนะไม่ต้องเพื่อนวมก็ผมทำให้แก ตอนมุกประเทศลาวแกจะไม่ให้เราพักเพราะว่าทำให้ไม่มีปัญหามุีธิลาจบผ้าได้เราจะได้ดู ว, วิธีทําเป็นยังไงแล้วก็ไม่ยากเขาจะมาให้เราทําเป็นเดนเย์แฮงนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องอีกต้องฉนันอนไรตองข้าแค่เราบอกว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วเหมาะทั้งหมดเรื่องผมพอแล้วเนี่ยแล้วก็ให้คืนไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นเดยแล้ว อีกอย่างหนึง่งในบรรดาคําเหล่านี้คาว่าพุตตานินากระตังโสติความว่าถึงโพชนาะที่พิสุฉันข้าวสุขแม้เพียงเมะล็ดเดียวนั่นเองอันนี้เรจาจะอธิบายคําว่าพิสุขผู้จะฉันเสร็จแล้วนะทำให้เราคนที่ฉันโพชนาะหรือว่าฉันข้าวสุขแม้เพียงเมะล็ดเดียวหรือเคี้ยวชิ้นเนื้อชิ้นเดียว โดยที่สุดมันตกไปนะโดยที่สุดจะบาของพิสูจนที่นั่งถัดไปทาให้เป็นกับติยากแล้วชื่อว่าเป็นอนพิสุนผู้ฉันได้ทำกติยากแล้วหมาเพราะว่ายังไงหมายเพราะว่าคนที่จะทาเป็นเดชให้เราเขาได้ฉันโกรชนาแล้วแม้แต่ว่าได้ฉันเข้าสู่แม่ไม่เล่นเดียนะครับไม่ได้ฉันของเขาเองนะแต่ฉันของคนอื่นฉันของผ้าที่มันใกล้ๆใช่ไหม ถ้เกิดไปหยิบขนมหยิบอะไรม า, มาหน่อยะะถึงมันก็เป็นโภชนาะนะแล้วก็มาฉันเนี่ยก็ได้ชื่อว่าฉันแล้วนะครับท่านพุ ก, กิอุปนิเนอร์แม้ว่าไม่ได้ฉันของในบาตตนเองแต่ฉันของในบาตต์วิตรุปอื่นๆแต่ก็ถือว่าฉันแล้วนั่นแหลท่องกับปิยให้เราได้ <c oughs> พิสูจนดฉันแต่เช้าอย่างนี้ห้าพันแล้วยังนั่งอยู่ที่เดิมเนื่นแหน ะ, ะถ้าย่งนั้มันไปไหนพอไปไหนในฉันอีกไม่ได้ใช่ไหม ห้ามพลาั้แต่เช้าแล้วทำไงนะครับพิสูจนนั้นะพอใกล้เที่ยงเข้ามาย่อมได้เพื่อจะทําก้องข้าวของทายกที่วิสูจน์รูปหนึ่งน้อมมาถวายจนให้เป็นกับฏญาณได้ถ้าห้ามพลาแล้วก็จริงฉันแต่ห้ามพลาแล้วแต่ยังไม่ลุกขึ้นใช่ไหมถ้ายังทําเป็นนี้พาลาดูปอื่นได้นะครับรูปไหนมาถ้าก็ทําเป็นเดชให้ทําเป็นเดชให้ได้ครับนี่ปัญหาเพราะทายัไม่ได้ลุกตั้งแต่ช้านี่มาถึงเพลแล้ว น, น, นะครับเนี่ยก็ยังได้ระยะเวลาเลยไม่เกี่ยวนะ เอาว่ายังไม่ลุกนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับฆ่าวันนะครับวันนั้นเอ่อแต่ถ้าอาหารนั้นเขาทําเป็นของกับปิยะแล้วคือมาทําเป็นเดนแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะมาทําเป็นเดนั้งอีกเดี๋ยวไม่ได้นะแล้วยกฮักเกลียของอื่นเข้าไปให้แก่ที่สุผู้กําลังฉันอยู่ที่สุนั้นเขียนว่าอยไรผู้ห้ามพันแล้วให้คนอื่นทําให้เป็นเดนที่สุนั้น ย่อไม่ได้เพื่อจะทําของนั้นให้เป็นเดนอีกถ้ามันเข้ามาจะมีอะไรอีมาว่าเอายกตัวอย่างก็แล้วกันนะตอนแรกเอาพันเตใช่ไหมคอนเตฉันตั้งแต่เช้าห้ามพันเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วพอผมก็ไปบินทะบายมานะมินะบายมาผมห้ามพัดแล้วเหมือนกันนะครับผมพอนเตก็ยังนั่งยกับที่นหะผมเลยกำหัดพอนเตที่ทําไปนเ้นของผมข้าวหน้าใกล้ๆทำทุกขั้นตอนทุกเจ็ดขั้นตอนแล้วใ่ไหม ยหายไปต่อเป็นเตยเป็นเตยก็บอกว่าทำหมดนั่นพอแล้วใช่ไมครับผมก็สามารถฉนะหายได้เลยแต่ผมก็ลังชั้นไปชั้นมาเนีะยอ่ะมีอาหารอย่างอื่นเนี่ยใส่เข้าไปในบัตรผอีกเนาะเสื้ออาหารใหม่เนี่ยมันไม่ทำกับเปียกอะไรนะจะเอาใส่เข้าไปในบัตรใชไหครับผมได้เันเตเนี่ยเปทากับเปียกผมอีกทีหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นการไปทงกับเปียกซ้าซ้อนของเก่าที่มันทากับเปียกนันและใช่ไหมครับ เข้าในบาผมเนี่ยม so ีอแหนที่เป yeah, ็นเตเนะทำเป็นเตะให้แล้วนะเทก็แส่อาหารใ่เข้าไปในบ้านอีกที่มียาหารเก่าอยู่เลยครับถ้าติเขาให้เป็นตะทําป็นเตะก็้าพูดว่าทําของเก่ามาเป็นเรื่องสามีนะครับหนึ่งนิดเดียวมันจะปนกันนัมซ้ำๆกันนี้ไม่ได้เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเพราะสิ่งใดยังไม่ได้ทํากับปิยะต้องทําเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทํากับปิยะในแาชนะนั้น ก็จะเป็นการทำกับปิยะรวมกับของที่ขาวไม่ขาแร้มันก็จะซ้ําซ้อนใช่ไหมดังนั้นจึงไม่ควรทำของแล้วให้เป็นกับปิยะนะคมายถึงคอนเทนต์นั้นจะมาทําในบางควมเนี่ยให้เป็นกับปิยะซ้ำอีกไม่ได้ผมก็ทำผมต้องตักออกดิเมื่อทํากับปิยะในภาชนะถุงนี้ผมก็ตักออกของนิยมใส่เข้ามาใหม่นะตักออกใส่ภาชนะใหม่แล้วนะครับเพื่อทำให้จะได้ถึงจะมั่ซ้ำกันนะ เมื่อทากับปิยะในภาชนะอื่นที่สุดจะทํากับปิยะด้วยโภชนะนั้นหรือโภชนะอื่นก็ควรทราได้เพราะว่าทาวนหนึ่งภาชนะอื่นใช่ไหมคนอาหารที่โยกใส่มาตอนนั้นหรือว่าอาหารได้มาใหม่ก็ไม่ใส่ครับถ้ามันจะทําให้เนี่ยได้เป็นไรอย่างนี้เขียน ว, ว่าทํากับปิยะซ้ำๆพ่อใช้นำอาหารมาถวายเพ่ออีกไม่ได้ต้องกนละภาชนะกันคงเขียนมันยังไงเนี่ย หมายพราะว่าพิสูรรูปเดิมที่ทํากับเียะให้เพื่อนพิสูรรูปนั้นไม่ควรทําของที่ตนทํากับเปียะให้เพื่อนแล้วนั้นอีกแต่จะทําทของที่ยังไม่ได้ทำเป็นกับเปียะคือเป็นเดนนะของเพื่อรูปเก่านั่นแหละได้อีกทําทของใหม่ได้ครับอะไรนะครับความมีโทษไหม ถ้าไม่ได้ทำนะท่านก็ไม่ได้ประอาต่าในครงนี้นยะถ้าจะว่าถ้านอ่ยทำไม่ขึ้นนะว่าท้าไม่ทไม้ทำอย่างนี้นะครับทำซ้าๆแล้วควรจะเอื้อื้อท่านกแล้วกันนะครับทางกรบี่ซ้ำซ้อนไม่เาดีการแนตะ่ไม่เป็นไร ถ้าบอกว่าแม่ทำซ้ำก็แม่ทําซ้ำก็แล้วกันเนี่ยนะต่อไปนะครับและของที่ทําแล้วอย่างนี้จะฉันรวมกับของที่ทําไว้คราวแรกควรอยู่อื้อปันหะก็ถือว่าคราแยกแล้วนะครับแต่ไม่ควรฉัน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้คิดทิ้งถ้าไม่มีนะที่ไม่มีนะครับที่สุดใดทากับปิยะแล้วนะครับ ย่อมไม่ควรแก้ที่สูรูปนั้นอย่างเดียวเอนะครับหมายถึงมีพันธุ์เดชทำเป็นเดชให้มยยผมจะมาแต่ของนี้มันเดชทำเป็นเดชให้ผมเนี่ยพันธเดชฉันไม่ได้เพราะพันเดชเป็นคนทำเป็นเดชให้นะครับเว้นที่สูรูปนั้นเสียที่สูร่าอื่นถึงจะห้ามพัดก็ยังฉันของ น, นั้นได้รุยย่อนั้นทั้งนั้นนะครับถึงห้ามพันแล้วนะพอของนั้นมันเป็นเดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ พิสุควรทำความสางปาและมือให้บริสุทธิ์ก่อนและจึงค่อยฉันทำไ ม, มต้องมาทําความสางปาทำความสาง ม, ม, มือด้วยครับเพราะว่ า, ามันจะเป็นของที่ไม่ได้ทำให้เป็นเด่นครับบางทีใช่ไหมถ้าอาจจะฉันไปเนี่ยแล้วก็แห้งพลาดปุ๊บท่านปีนอิริยาบถท่านก็ฉันไม่ได้ใช่ไหมครับ เพอปีเรียบดิยังมีอาหารอะไรติดมือแล้วเข้าเหนีวติดมืออยู่หรือมีอาหารอยู่ในปากเนี่ยฉะนั้นปีเรียบดิแล้วมันเินฉันยังไม่ได้ใช่ไหมครับและของความเดทําเป็นเดทหด้หน่อยฉันได้นะแต่ของที่อยูนมือในปาก น, นี้เดินฉันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราปีเรียบดไปแล้วฉะนั้นต้องบูวนปาให้ดีแล้วของกลับให้หมดก่อนครับแล้วก็ฉันของนี้นี่ครับนี่ครัเลย <c oughs> โอเียมเวลานฉันไม่ทันอยกลองตอ่หมน <c oughs> ัโดยวิธีที่ของจะไม่ปนกันกับของที่ไม่ได้ทากับญาตินะส่วนของที่เหลือจากพิสุอาภาษ์ไม่ใช่เป็นของที่พิสุอาภาษ์ฉันหรือเปล่เพียงอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ถึงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เขานํา ม, มาเฉพาะพิสุอาภาด้วยตั้งใจว่าพิสุอาภาจะได้ฉันในเวลาที่ตนปาตตนาสนิ่งนั้นทั้งหมดพึงสร้างว่าเป็นของเหนือจากพิสุอาภาเขาจะาไหมพระพเจ้าไว้มาสมายพ้าอาภาแล้วใช่ไหมท่านฉันไม่ได้นะครับพกพรว่าป่วยฉันไม่ลงก็ถือว่าเป็นของเด น, นพิสุอาภาเลยนะครับนี่นะไม่ได้แปลว่าผ้ารุ่นั้นจะได้ฉันใช่ไหมถึงไม่ได้ฉันเพราะว่าฉันไม่ลงก็ถือว่าเด่นพิสุอาภาอยู่ดี มีตอนนี้ละเอียดนะไปดูได้รายละเอียดขพอินัยปีดออกเล่มทีสีนะครับตรงข้อที่ห้าของเนี่ยนะโภชนะวัตรเขาต้องการาารายละเอียดคําว่าขนที่ยงวานโพชนาียัวาได้แก่ยาว่าการชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ยาว่าการคือของที่ฉันได้ชา้าทุบเที่ยนใช่ไหมจะเป็นของเคี้ยวของฉันอะไรก็แล้วแต่นะครับแรงขนั้นนะถ้ราให้มันพลาดกระแล้งก็ก็จะไปฉันไม่ได้ จะเป็นโพชนาะไม่ใช่โพชนะก็แล้แต่ก็ฉันไม่ได้อีกพอห้างพันแล้วเ้าว่าขาเทยวาคุณชายวาปาจิตยมความว่าพ่สุห้างพันแล้วโดยในดังกล่าเมื่อรับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของเป็นเดนในขณะรับก็บรรทุกเกาะกนรับมาจะฉันใช่ไหมเป็นทุกขกาก่อ น, บบ น, อกกอนเวลาฉันก็ต้องเอ า, ารบรรทุกปาจิตีทุกๆคำกลืน เหตุกินกนนดนักประเภทอาบัติสาบทนี้รูปพระพ้างเจ้าทรงปารที่สุรหลายรูปในมูลสามวรชีบัญญัติไปแล้วข้อเหตุคือการห้ามพักแล้วียังไปฉันโภชนะในที่อื่นอีกคำว่าอนั น, นติทิฏฐังไม่ใช่ของเป็นเดนจัดเป็นอนุบัญญัติในสิกขาบท น, นี้สิกขาบทนี้เป็นตักษาทางนะบัญญัตินะครับพิษณีไม่มีนะมีอยู่ก็ของพระ อันนั้นติกาไมนเกี่ยวกับารใช้นะอันนี้ทาเองนะติกบไปยิตีติกาไปยนีนี่จเป็นยงไงเป็นยังไงนะครับรติกบไปยต <5, 000 S 1> ีหรือว่าห้าพันแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่เป็นเดจางอะไรที่โดนติกไม่ใช่เป็นเดหรือว่าหพันแล้วไม่เนที่มันเดีากนะครับอ่อ ขอไม่เป็นเด่นกันใครเป็นตัวตั้งหรของไม่เป็นเด่นใช่ไหมเข้าใจสงสัยสำคัญผิดไปชั้นก็ต้องไปดีทั้งนั้นเพราะว่าตัวเองห้ามพลาดแล้วนะครับเมื่อพิสูรรับยาม마การเร่งรีบรับน้ำปาหน้ามาน้ำเป็นต้นเพื่อเป็นอาหารและกลืนกินยาม마การนี้เป็นต้นออกน้ำปานะสัตวหายาวชีวิตก็แล้วแต่นะปลาห้ามพลาดไปแล้วเนี่ย เราจะมากินเหล่านี้นะกินในการนะครับกินในการเลยจะกินไปอาหารนี่แหละเป็ต้นนะทีมไม่ได้ผสมกับอาหารต้องอาบัด ท, ทุกกฎนะครับอาบัดบอลไปทุกกฎนยนะพ่อเราห้ามพลาดไปแล้วเราฉันอาหารไม่ได้ก็จริงนะแม้น้ำปลาหน้าสัตว์ตาอาหารหรือยาเนี่ยเราจะมาฉันแบบอาหารก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าฉันนี่อาก็ต้องอาบัดแต่อาบัดบาลเป็นทุกกฎ น, นะครับเช่นเดียวกัน พอชนะเป็นเดนพิสุจน์สคัญว่าไม่เป็นเดนหรือมีความสงสัยต้องบัตรกฎท่านที่เป็นเดนฉันได้จะไปเข้าใจกิจว่าไม่ใช่เดนแต่ก็ไปฉันก็สงสัยเพื่อจะต้องบัตรกฎแต่ว่าถ้าฉันนะ้ำปลานะาแบบเป็นอาหารนะในตอนเย็นใช่ไหมอันนั้นจะต้องอาบัตรอีกข้อหนึ่งนะครับต้องทุกกฎเหมือนกันนะน้ำปลาหน้านี่ดื่มแก้กระหายนะครับไม่ได้ดื่มแก้หิวนะ จะหนึงแก้หิวเพื่ อ, อิ่มท้องนี่ไม่ได้เลยต้างาบัตรนะครับอยู่ในพิการและโธชนั้นขาบนนะจะเป็นทุกครับนเป็นยาใช้เป็นยาก็ได้เหครับห้สมบุคุณเป็นยาได้ครับชอบน้ับข่าวนได้ก็ได้ครั บ, รบแต่ฉันโหซ้ำๆแ่งแก้ยอห น, น <laughs> มาจะไรก็หายนะดูใส่จให้ดีนะครับจะหายจริงหรือเปล่า ว่าแก้วใบใหญ่เบ้อเลยนะนี่ยมันเลยจะหายหร่อเ่าก็ดูดูกันละกันนะครับไม่แน่แลวแต่บางคนบางคนาจจะต้องขันเยอะถึงจะแก้กาหายได้และแต่เราก็ดูตัวเองกันละกันพว่าแค่ไหนอันหนเื่อการหายยังเปล่าก็าก็หายได้แก้กรหายได้ ออน่ะน้าป่าไม่มีแรงครับน้ำปลาที่ให้มีแรงน่นะนไม่มีแรงนะแก้กระสายก็จริงแต่ว่ามันมีส่ ป, ประกอบเยอะกว่านั้นนะแช้มี เ, เรีย่ยแรงอ้วยมัยแต่ว่าที่เป็นอาัารคือฉันแบบเป็นอาหารให้อิ่มท้องใช่ไหมครับแต่แล้ฉันไอ้อะไรอร่อยอย่างเี้น่มันก็ไม่มีอมบตแต่ว่ามันจะเป็นนี่เป็นนีหน้าบริพ่อมนะครับ มันไม่ได้คือถ้าเราฉันแบบไม่ได้พิจารณานะฉันมัวมาเอาเอาจากไว้นั้นไม่อร่อยไม่มันจินมมออะละวนอย่างนี้ไม่ได้ใส่ใจเหตุแล้วน ะ, นะตรง น, นั้นเลยครับไม่ได้พูนะบางทีเราเราถึเราพูดเราใส่ใจก็ได้แต่ถ้าใจไม่ได้ใส่ใจนะครับนั้นจะเป็นหนี้ครับต่อไปนะครับให้จบตรงนี้เลยนะเราจะพัฒนาตน่อไปนะครับ อาณาบัตรนะครับพิสูจนไม่ต้องอาบัตรเมื่อโพชนะเป็นเดนเขาว่าไม่นี่ติดตางออกไปสําคัญว่าเป็นเดนแล้วก็ฉันนี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอาบาัตรลราเอามาด้วยตั้งใจว่าจะทำให้เป็นเดนก่อนแล้วค่อยฉันได้าร่ำมาหน้าอย่างไรล่ำมาห้วยตั้งใจว่าทำเป็นเดนก่อนใช่ไหแล้วมาเพื่อพิสูจน์อื่นไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มันจะฉันเองอันนี้มันห้ามพันแล้วนะฉันยามากการิเป็นต้นปัจจาอามิต ตากมกําหนดการฉันที่อนุญาตไว้แล้วนะครับชนปะปานะก็แก้กระสายชนะตาหายเยาวชนชีวิตก็เป็นยากแก้โลกนะครับและพิสูจบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องก้างบัตรนะครับองอารบัตรสิขาบนนี้มีองค์สามหล่านี้คือหนึ่งพิสูจนห้าพัดแล้วสองโภชนะไม่ใช่ของเป็นเดชสามพิสูจฉันในการก่อเที่ยงนะครับเมื่อครบองศาต้องบอไปที่สิขาบทนี้นะครับ เพราะอย่างนั้้ามวสรุปไหนนะที่ห้าพัฒนแล้วนะครับเปียเรียวบ็เรียบร้อยแต่ถ้าไปชนะหานี่ฉจะในเวลาวิการถ้าไม่ป้ออามบาดในสิขาบท น, นี้นะเพราะสิขาบที้เอาชนะในการก่อนเที่ยงนะครับแต่จะไปต้องอาบาดเพราะว่าชนะในเวลาวิการนะจะไปต้องอีกข้อหนจะไม่ต้องคนนีนะครับเนีย่ยซึ่งถามเป็นต้นหรือกับในปัจคมการถินสิขาบทนั่นแหละ จำเลยประทนประทินสิข้าหมดนครับคืออะไรกายวิจิตรกายวาจารจกายวาจารายวิจารกายวจาจิตม kind of ันครับกายวาจากายวจาจิตครับแต่สิกขาคนนี้เป็นกิริยากิริยาเท่านั้นต้องบังคับทำและไม่ทำเป็นยังไงครับต้องพัทำเปล่ ความการฉันนี่แหละนะครับไม่ทองก็เพราะไม่ทําคือไม่ได้ทองแค้เป็นเด่นนะครับอย่างนี้นะไม่ได้ทำให้เป็นเด่นนะครับอันที่เป็นวางใจก็เพราะว่าไม่ได้บอกให้เขาทำเป็นเดนให้เราใช่ไหมอยนี้นะครับกายก็ควยฉันด้วยกายนะจะรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องบัดทันนนนนน้นั้นนะครับมีจินี้ไม่มีจิตนี่ก็โดนหมือนกย่านี้นะ จบการอธิบายบทหอมภาวนะสิขาบทเราไม่ธรรมดาไม่ค่อเนีอย่างพอเขาทา น, นแต่ม น, นมมาถวายนี่ไม่ถือเป็ น, นปพันไม่ถเนพันเราโอนดิพวกชากาแฟนี้ครับไม่ห้าพันตัวนี้เดี๋ยวจะมีวิลายกาแฟครับ <c> ผ <oughs> ูงเี่โยนนมมาถวาถามาครั บ, บ เขน้องมาคือเขาเขาน้อมมาแล้วแค่หยิบแล้วเขาถามว่าเท่าพอแล้วหรือถ้าหมาะพอแล้วก็ห้อนะนี่แห้นครับแต่ยังไม่ได้ถักเลยครับถ้าลงอีกชั้นไปแล้วพอหามาเพิ่มอีกนะครับผมว่าอยู่พยายามเรื่งเนะ่เล่าหมดแล้วล่าหมดแล้วเล่าหมดแล้วับ ครับคเขาดีครับครับ wow ใช ah ่ครับเราต้อมาเทนกาค่ร uh> ับครับครับครับีเราก็ไม่รู้ไงครับการคลอมืมคลอคแต่ว่านส่วนใหญ่เป็นอาหาตอนเทนี่ไม่เข้ามาเสริมนะก็เขามปัญหาตอนเทน่ะคลอเราไม่ฉันแล้วใช่ไหมครับใ้แล้วมันจบนะแต่ว่าตอนเช้ยมันมีปัญหาพวกนีเราจะฉันเทนิดใช่ครับอือถ้าเป็นาน่ไหนเนียการ้ เรายัไม่ได้อยู่ในถวายเราไม่ได้นอนไปอ๋อเป็นไรไ็ครับอันนี้กขหมายถึงข้ามาในถวายนนะครับนมันได้ได้ที่อย่างแล้ควรับครับตอนนั้นเป็นเราที่อาแล้วก็ทำได้ขัดอืมครับไปถึงกินมากแล้ว่มครับแล้วต่ไปเ้องแล้วก็มาารับที่ม้ครับอ่เมื่อกนท่านแพทย์เมือการที่เขาถวายห้พรสมัยก่อน คิดว่าอังฆ่าให้พอความต้องการชไหมถวายให้ท่านเจนกว่าท่านจะห้าห่เพราะนั้นบอกห้าเมีย น, นะงานควาก็เป็นการฆ่าผอง